ความเก็บความปวดทุกข์ร้อนอยู่ในนรกนั่นแหละอันนี้ใจของเรานี่แหละที่ว่าไปทรมานสารพัดที่ว่าเราทำกรรมบันไดไว้ต้องได้รับผลกรรมนั้นนี่ให้เราคิดเอาว่าอันนี้เราทำกรรมเนี่ยไม่รู้ว่าชาตินี้ชาติในอดีตที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรไว้บ้างอันนี้ลหละหลวงพ่อเนี่ยเขนอดีตของตัวเองนี่มันบอกว่า ที่เรามาเกิดเป็นสัตว์นี่หลายล้านเที่ยวที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่หลายแสนเที่ยวญาติโยมก็เหมือนกันก็มาเกิดเหมือนกันนั่นแหละจิตของพวกเรามันมาอุบัติบางเกิดขึ้นในโลกนี้มันมาจุดติในเกิดขึ้นในโลกนี้มันหลายคนละหลายล้านเที่ยวอันนี้แหละเวียนไหวตายเกิดทุกทุกแล้วก็ตายเกิดขึ้นมาในช่วงเป็นเด็กเนี่ยอยากได้นอนได้นี่อยากโตอยาก เกิดขึ้นมาก็ต้องการอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามหาบ่เนียอต่างคนก็ต่างหาคนนั้นก็อยากรวยคนนี้ก็อยากรวยแย่งสมบัติกันอยู่แบบนั้นแหละแต่ในที่สุดก็เหนื่อยเปล่าตายตายแล้วก็เกิดไม่อีกอันนี้แหะคนละหลายล้านที่อาให้พวกเราคิดเอาอันนี้ถ้าเราตัดสินใจสู้กับพุกขเวทนาเนี่ยอันนี้เราจะได้ไดไดไดไดรู้ ใจของเราเนี่ยมันจะวางหมมันไม่ยึดติดถ้าใจของเรามันวางอ่ามันเหมือนกับที่ว่าเราทำงานหนักๆเนี่ยเราแบกเราหามหรือว่าหาบอะไรมาหนักๆเนี่ยพอเราวางล่ะพอเราอ่าเอาอันนี้ออกจากบาทนั้นละ่ะเราจะเกิดที่ว่าโอ้ความสบายเนี่ยมันกลับมาแทนเหมือนกับทำงานหนักๆแล้วงานนั้นมันเสร็จมันมันมันเป็นลักษณะนี้ ใจของเรามันวางอันนี้แหละแต่ก่อนน่มันยึดติดมันว่าตัวเราตัวเราของเราเนี่ยมันมีความยึดติดแบบนี้อันนี้แหละงานตัวนี้เป็นงานที่ว่าเป็นงานใหญ่สำหรับที่ว่างานลื้อภพรื้อชาติที่ทำมาหากินนะ่ะหลวงพ่อบอกว่าเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนไปกินน้ำกินข้าวก็มาทำใหม่แต่ถ้าทำแบบนั้นไม่ได้งานภาวนา ที่ไหนมันปวดเนกมันลงไปอหาที่มันไหนมันเจ็บนี่มันเอามามันมีอีกไหมมันมีเลยนี่ไปอีกไหมอ่ะที่มันมันจับเจ็บจับปวดเนี่ยตั้งสติดูดูทุกอย่าลบทุกถ้าเราหลบทุกนี่เตี่ยนอริยบทพอพิกขาเนี่ยก็เหมือนกิเลสนอกเอานอกเอานอกแล้วน้องอีกซาดแล้วซาดเล่าที่เราถูกกิเลสมันนอก เราชนะมันไม่ได้ก็เพราะความหลงตัวนี้เราหลงตามใจของตัวเองหลวงพ่อประพฤติปฏิบัตินี่หลวงพ่อไม่เอาตามใจตัวเองถ้าจ่าตามใจใจของเรานี่คือกิเลสใจของเรามันมายาของใจของเรานี่แหละมันบอกว่าพักพรก่อนเธอะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยทําใหม่เดี๋ยวนอนตื่นขึ้นจึงค่อยทําใหม่มันมันหลอกเราทํานองนี้มันบอกว่าวันพรุ่งนี้วันเมื่อลือนนี่ทํานองนี้ อันนี้มันปิ้นป้อนสารพัดมันหลอกลวงมายาของกิเลสตัณหาก็คือใจหลวงพ่อว่าศัตรูของเราอยู่ที่กายของเรานี่แหละมันอยู่กับเราเนี่ยถ้าเราฝืนมันฝืนไม่เชื่อมันไม่เชื่อมันอย่าเชื่อใจของตัวเองอบางคนก็เออหลวงพ่อนีอ่ไปเอาคำอะไรมาพูดวะไม่ให้เชื่อใจของตัวเองจะเชื่อใครบางคนจะคิดนะแต่ลองดูให้ลองดู ลองดูอย่ า, ยาเชื่อความมักง่ายอย่าเชื่อความมักง่ายให้เอาขันติความอดทนนี่แหละขันติประมังตะโปตีติข่าความอดกั้นคือความทนทานเป็นตะบะอย่างยิ่งนิบบานังประมังว ร, รันติบุท ธ, ธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งอันนี้ให้เรา เ, าเอาเอาตัวนี้มาเทียบใจของเราเนี่ยถ้ามันไม่เกิดความทุกข์ความรักมันอยู่กับความทุกข์ มันอยู่ด้วยกันความมืดความสว่างมันก็อยู่ด้วยกันอันนี้ใจของเราเนี่ยมันหลงมันยึดติดว่าตัวเรากายเราอันนี้แหละเราพยายามที่ว่าเราจะแยกแยกกิตออกจากกายเนี่ยพยายามที่ว่าแยกกิจออกจากกายให้มันได้ถ้าเราแยกจิตออกจากกายให้ดด้ น, นันมันได้แล้วเนี่ยมันเป็นตัวผู้รู้มันจะเกิดความรู้บันณฑ์ความรู้ตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งมหาศารร์หลวงพ่อว่า เป็นสิ่งมาศจอจรย์สําหรับหลวงพ่อนะหลวงพ่อนี่เห็นสิ่งมาศจอรย์จากหลวงปู่ขาวเนี่ยหลวงปู่ขาวพอหลวงพ่อคิดว่าหลวงปู่ขาวเป็นพระลังหันเหมือนกับท่านอาจารย์มหาบวัวหรือยังเนี่ยหลวงปู่ขาวมองมาหลวงพ่อเนี่ยฟึบมาทีเดียวเนี่ยกายหลวงพ่อนี่เหลือแต่กระดูกเอเราพยายามจะดูกระดูกของตัวเองเนี่ยมันไม่แกล้งสักทีมันไม่เห็นแบบนี้สักทีวันนี้หลวงปู่ขาวเมตตาเราถึงขนาดนี้ เราเกิดตายเกิดตายอยู่ในโลกนี่เราจะเอาอะไรไปใช้นี้ท่านนี่หลวงพ่อเห็นแบบนี้เห็นสิ่งม า, าจรรัจจันจากคูบาจารย์หลวงพ่อที่ว่าเทิดทูนมีความเคารพเทิดทูนคูบาจารย์หลวงปู่คุญจนันทหลวงปู่ขาวปู่อ่อนหลวงตามหาบัวแบบนี้อันนี้แหละที่ว่าเห็นคุณค่าที่ว่าท่านพูดท่านเมตตาเหมือนกับแกงหมอกิ๋วมันเป็นแกงหม้อกิ๋วท่านพูดให้เน็ต นิดเดียวนั่นแหะสองสมนาทีเนี่ยขน้อยพอแล้วเนี่ยอันนี้แหละสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ให้กําลังใจให้กําลังใจถ้ามาเราจิตของเรามันฮ็ดสู้ได้แล้วเนี่ยสู้พยายามที่ว่ามันเลยตายนิดเดียวถ้าเราเลยตายได้นิดเดียวนี่เราก็จะจะเปลี่ยนเลยใจของเราเนี่ยแต่ก่อนมันมีความยึดอัตตามันมีอัตตาตัวตนมันว่าตัวเราตัวกูของกูสมบัติของเรา อันนี้ก็แขนเราขาเราตัวเราเราพยายามปฏิเสธอ่าวิธีปฏิเสธของหลวงพ่อก็ว่าเราจะแยกกิจแยกกิจออกจากกายวิธีปฏิเสธก็พยายามที่ว่าดูความเปื่อยเน่าดูกายเน่าดูความสกรปรกในร่างกายตัวตนของเราอายังโคเมกายโยกายของเรามีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้ปอดอ่า อาหารใหม่อาหารเก่ามันเป็นของสุกโปกทั้งหมดถ้าเราคิดเอาตัวนี้ลหละมาเดินอันนี้หละทุดงเดินทุดงอยู่ในกายดูกายในในกายของเรานี่อันนี้ใจของเราถ้ามันเกิดความรู้จากตัวนี้มันเกิดแล้วมันเห็นตัวนี้แล้วก็มันเห็นว่าเกิดตายแล้วก็ะเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายในอดีตที่ผ่านมาแล้วนี่ เราตายมาแล้วซ้ํซ้ำซากๆนี่มันจะร้องให้บ้านี้ถ้าใจของเรามันวางแล้วนี่ถ้าเร า, เราใจของเรามันวางใจของเรามันจะเกิดความสุขจะเกิดปีติเกิดความสุขมันทั้งเห็นทั้งรู้มันเกิดตัวรู้ขึ้นมามาสอนใจของเราใจของเรามันจะจะจะเกิดความเข็ดหลาบไม่อยากมาเกิดอีกไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอันนี้แหละว่าการทำ มันไม่เสียเวลาเสียเปล่าอันนี้มันมีผลลัพธ์ถ้าเราทำไปเนี่ยเลยทุกเลยทุกเนี่ยมันสนุกดูมันสนกุนสนกดูในอดีตชาติของตัวเองที่เรามาแสดงละครในโลกนี้มาแสดงเป็นพระเอกนางเอกมาแสดงเป็นนักเลงมาแสดงเป็นดาว้ายสารพัดเนี่ยมาแสดงละครโลกอันนี้มายาของกิเลสตัณหามันปิ้นป้อนสารพัด แต่ละวันละวันเนี่ยเราคิดอยากได้น่อนอยากได้นี่สารพัดที่มันวุ่นวายถ้าเราดูตั้งสติดูแล้วเนี่ยมันรวมลงมานี่มันคิดบางครั้งแรกๆเนี่ยมันมันยังห่วงพี่หวังน้องห่วงลูกห่วงหลานแต่ในที่สุดเนี่ยเวลากายมันทุกข์กขึ้นมาทุกข์ขึ้นมานี่มันสงสารตัวเองไปเนี่ยมันว่าขาเราขาเราจะหักกระดูกเราจะแตก อันนี้ให้สังสงสังเกตดูนะเป็นคนที่สังเกตว่าความยึดติดของเราเนี่ยยึดลูกยึดหลานอันดับแรกนะแต่ถ้ามีคนมาถามนี่ว่ารักใครที่สุดรักลูกสาวลูกรักลูกชายเนี่ยรักแฟนน่ยมันก็รักคนอื่นนั่นแหะอันดับแรกแต่ในที่สุดท่านนั่งภาวนาเนี่ยรักตัวรักตัวแล้วก็กลัวตายน่ยของพวกเรามีแบบนี้ อันนี้ลหละให้เราพิจารณาร่างกายตัวตนนี้มันเนรคุณต่อเราเราพยายามที่ว่าทนุทะน้อมให้มันอยู่ดีอยากไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไปเรื่อยๆแก่ไปเรื่อย อ, อายุวันเดือนปีจินอายุของพวกเรายังไม่นานคิดว่าเอ้เราก็เกิดยังไม่นานเท่าไหร่แค่นี้เดี๋ยวก็ร่างกายนี่มันก็ อุ่ดโซมไปเรื่อยๆมันเหี่ยวมันย่นไปเรื่อยๆนี่ก็ให้สังเกตของตัวเองอันนี้แหะหลวงพ่อจะว่าฝึกตายก่อนตายจริงให้เราจิตของเราเนี่ยมันฝึกมันมีความฮึดสู้ถ้าถ้าว่าค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยไม่มีเวลาจะได้เกิดจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราฮึดสู้เนี่ยเป็นที่ว่าปัญญามันจะเกิดขึ้นมาจากนี่แหละจากใจของเราเนี่แหละ จากตัวหลงนี่แหละมันจะเป็นตัวลูกเนี่ยมันก็สิว่าใจของเรามันเกิดความสว่างขึ้นมามันก็จากตัวนี่แหละแต่ก่อนอันดับแรกๆนี่มันก็ว่าของเรามันยึดติดบัดนี้มันเห็นบัดนีมันก็เลยสว่างเพราะว่ามันเห็นเห็นว่าตัวเองมาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยแต่ก่อนมันไม่เห็นเห็นในอดีตชาติของตัวเองเห็นพบชาติที่ตัวเองมาทุกมา แกมาเก็บมาตายอยู่ในโลกนี้ซ้ซําๆซากแล้วเนี่ยมันจังหวะประเมินมาเนมันประเมินว่าเราจะมาเกิดมาตายทําไมใจของเรามันจะเบื่อความเกิดเนี่ยอันแรกๆนี่คนทั้งหมดเนี่ยที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราอยากเกิดแต่ไม่อยากแก่แหมไม่อยากจนอยากรวยอยากสวยนะอยากจะเกิดมามีทรัพสมบัติให้เยอะกว่าคนในโลก อยากจะเป็นเจ้าของธนบัตรเงินทั้งหมดเนี่ยในโลกเนี่ยเป็นเจ้าของคนเดียวแฟนอยากได้คนสวยๆทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยให้เป็นแฟนของเราหมดคนที่ลายขี้เหล่เป็นของคนอื่นเนี่ยใจของเรามันชอบแบบนั้นอ่ามันมันชอบดีแต่ใครล่ะสมหวังอ่าเรื่องความแจความเจ็บมันต้องเดินตามเรามาเราจะไปที่ไหนก็ช่างเราจะนั่งเครื่องบินมันก็ไปกับเรา เรานั่งรถมันก็ไปกับเราความตายไปกับเราไปตลอดไม่รู้ว่าเวลาไหนเราจะตายเนี่ยก่อนตายให้เราได้เกิดความรู้ความเห็นตัวนี้หลวงพ่อว่าความตายเนี่ยเราไม่ต้องว่าจะไปรอว่าวันพรุ่งนี้่ถ้าเราคิดยังว่าเราจะเอาวันยังจะมีปีหน้ายังจะมีเดือนหน้าเนี่ยถ้าเราคิดแบบนี้หลวงพ่อว่ า, าคิดไม่ถูกยังคิดผิดอยู่ บางทีมันตายก่อนนั้นมันยังไม่ถึงเดือนหน้าปีหน้าเนี่ยให้เราคิดแบบนี้ให้มาให้ดูปัจจุบันอ่าถ้าเราดูปัจจุบันเนี่ยใจมันมันก็จะว่าเวลามันกลัวตายมันบอกว่าวันพรุ่งนี้ของเราไม่มีเราจะทำอย่างไรเราจะตกนรกหรือจะไปสวรรค์หรือจะไปเกิดที่ไหนที่ไหนมันก็คิดหาวิธีของมันมันก็ที่ว่าน้อมลงมามาดูนี่แหละดูใจของเรานี่แหละ พิจารณากายใจสติของเราถ้าเรามีสติถึงพร้อมแล้วเนี่ยมันเพ่งมันก็เป็นสมาธิไว้แล้วสมาธิมันมีสมาธิแล้วก็เพ่งกายเพ่งกายเน่าดูกายเน่าก็ดูฝึกดูดูให้มันมันชำนานอ้าวเน่าแล้วก็ตายเปืือยเน่าเน่าแล้วก็เละลงเป็นขี้ดิน ในที่สุดกายของเราเนี่ทุกคนเนี่ยถ้าตายแล้วเนี่ยลูกหลานญาติพี่น้องเอาไปฝังดินไว้เอาดินกบไว้กายของเราเนี่เปื่อยเน่าลงไปเป็นดินเหลือแต่กระดูกแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยกระดูกก็หายไปก็มีดินบางบางที่นะบางที่มันก็เก็บไว้อยู่บางที่มันดู ก, ก็ยังยังเหลืออยู่อย่างบ้านเสียงแบบนี้แต่บางที่ไม่เหลือนะกระดูกเปื่อยเลยนะ อันนี้ดินมันมีแร่ต่างกันอันนี้ะคนที่เร า, าเวียนไหวตายเกิดเนี่ยเราจำไม่ได้แต่สมัยก่อนนี่ยพืย้นแผ่นดินที่เรานั่งอยู่เนี่ยสมัยก่อนยุคไทยเราเนี่ยเป็นแผ่นดินใครล่ะแผ่นดินขอมอาณาจักรขอมอาณาจักรขมรเนี่ยก่อนขมรไปก็เป็นของไม่รู้ว่าของใครล่ะแต่ใจของพวกเราเนี่ยล่ะมาเกิดมาเวียนไหวตายเกิดเป็นขอมเป็น เผ่าไหนๆก็พวกเรานี่แหละเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายถูกเขาฆ่าเขาสารพัดความยึดติดหวงว่าที่ดินหลองเราไรนาเราบ้านเร า, าที่ของเราเราก็ยึดมาก็มากลับมาเกิดมาเวียนไหวตายเกิดมายึดเอาขี้เอาน้องอันนี้ละ่ะจิตวิญญาณเนี่ยมันเวียนไหวตายเกิดไม่รู้ว่าใครเป็นแม่เป็นลูกกันระหว่างแม่กับลูกกับปู่กับยา่าเวียนอยู่อย่างนี้แหละ เกิดเป็นลูกามาเกิดเป็นลูกแล้วแต่วิญญาณของพ่อของแม่มาเกิดกับลูกกับหลานอีกทํานองนี้เวียนอยู่แบบนี้แหละอันนี้แหละที่พวกเราเวียนไหวตายเกิดแต่ละท่านละคนให้พวกเราคิดเอาว่ามันเป็นทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ก เ, กเกิดขึ้นมาชาติใดพบใดก็เป็นทุกข์โลกคือหมู่สัตว์อันสราต้อนไปอยู่ทุกคนต้องสาลาไปเรื่อยๆ เราจะถนถนอมอย่างไรก็ช่างมันก็ต้องแก่แก่แล้วก็ความเจ็บความปวดความเหยียวยน่นสารพัดร่างกายของพวกเรามันไม่สมหวังมันก็เกิดมาเรื่อยๆอันนี้แหละญาติโยมทุกคนที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเรามาเจอมาเจอโลกที่ว่าโลกความสลาต้อนไปในที่สุดความต้องการของเรามันไม่พอนะใจของเราเนี่ยมันอยากล่ำอยากรวยอยาก ได้นโน่นได้นี่สารพัดมันก็พยายามที่ว่าหาบ้างพยายามหาต้องฝึกต้องทรงโลกไปเรียนหนังสือต้องให้มันจบนั่นจบนี่มันจะได้เป็นผู้อํานวยการอยากจะเป็นทํางานผาแผนกนั่นผแผนกนี่ให้มันเป็นวิศวะเป็นผู้ออกแบบทําน่นทํานี่ต้องทรงไปทานองนี่แหละต่างคนก็ต่างวิ่งทํางานแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าที่เราวิ่งวุ่น ขนขวายหาเงินทองกองสมบัติหาทรัพสมบัติมาเลี้ยงตัวหรือว่าให้ครอบครัวของตัวเองอทาภาระตัวนี้อุปมาเหมือนกับพวกเราก้อนอะไรวากิ่งก้อนหินขึ้นภูเขาพอกิ่งขึ้นไปพยายามที่ว่ากิ่งก้อนหินถึงหลังเขาแล้วนี่หมดกำลังก็ทิ้งลงมาอีกทิ้งลงมาอีกแล้วก็กลับมาผักขึ้นไปอีก คือแต่ละศาสตร์ของเรานี่พระพุทธเจ้าอุปมาแบบนั้นอันนี้จิตของเราจิตของเราจิตเดิมนี่แหละจิตอันเดียวนี่แหละแต่มันมาอาศัยกายใหม่เกิดสมัยเป็นขอมเราก็มาเกิดแล้วก็ถูกพวกลาวพวกไทยไล่ฆ่าไล่ล่าตายไปวิ่งหนีหนีตายไ ป, ย, ไปยึดติดในผืนแผ่นดินแถวนี้กลับมาเกิดอีกอันนี้ละ่ะเรามีกรรมเป็นของของตน เราทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลกรรมนั้นอันนี้ลูกพวกเราก็ยังห่วงก็ยังมาเกิดอีกถ้าลายท่าใจของเราเนี่ยมันยังไม่วางเนี่ยมันยังมีความห่วงจะเกิดมาแล้วนี่ก็เหมือนกันกับหลวงพ่อของหลวงพ่อเนี่ยมันหลายล้านเที่ยวมันเห็นแบบนั้นเห็นอดีตชาติของตัวเองมันเกิดความเบื่อหน่ายท่าใจของเราเนี่ยมันเหมือนกับทงานนทงานเนี่ยทงานเนี่ยเหมือนกับหนักที่สุด งานเนี่ยมันหนักที่สุดในที่สุดงานนี้มันมันหมดไปเหมือนกับเราทำงานหนักๆในที่สุดเราเราทำงานตัวนั้นมันจบแล้วกังันกับที่ว่าแบกของหนักๆมาเนี่ยพอเราปรงหาบวางหาบออกจากบาเนี่ยมันสบายมันวางมันเบาเราข้ามน้าละ่ะเหมือนกับเราเราลอยน้ำข้ามแม่น้าเนี่ยพอไปถึงฝั่งเนี่ย มันดีอกดีใจว่าตัวเองรอดตายอ่าก็อุปมาเหมือนกับทิ้งทิ้งของหนักๆนั่นแหละมันบอกว่าแบบนั้นเลยมันบอกบอกว่างานตัวนี้เป็นงานหนักที่สุดและเราก็ที่ว่าทิ้งมันเราไม่ยึดติดมันไม่ยึดติดอันนี้แหละถ้าใจของเรามันว่างมันยึดไม่ยึดติดแล้วนี่ใจข อ, ออของเรานี่ก็ได้รู้เออภพชาติของเราเนี่ยสั้นเข้ามาแล้ว ชาติความเกิดของเราไม่มีจะมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วสั้นเข้ามาแล้วมันจะเห็นทํานองนี้เวลาปรพบติปฏิบัติไปสมควรพอไปถึงช่วงหนึ่งมันก็บอกว่าเออเราปิดอบายภูมิได้แล้วมันก็บอกเตียนเตียนตัวเองไปทํานองนี้มันก็เห็นมันความรู้เกิดความรู้ความเห็นอันตัวนี้เนี่ยเป็นของที่ตัวเองตัวตัวแ ล, ล้วจะเป็นคนที่ได้รู้ได้เห็น สิ่งเหล่านี้แต่เราเองที่จะเป็นคนประพฤติปฏิบัติการเดินทางก็เป็นของเราคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นแผนที่ในพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมพระปรมัตนะต้องเราต้องเราเป็นคนเดินเองหายใจเข้าเป็นพระสูตรหายใจออกเป็นพระวินัยให้เราดูตัวนี้ กายของเราเนี่ยเป็นของไม่กี่ลังยั่งยืนในที่สุดต้องแตกสลายทําลายให้เราคิดเอาแบบนี้ให้เป็นปัจจุบันถ้าดูเปิดปัจจุบันถ้าเราถ้าท่าใจของเรามันมันมันสละตายเนี่ยมันบอกว่าวันพรุ่งนี้ของเราไม่มีเราไม่ไม่คิดว่าจะทําเที่ยวหน้าเที่ยวหน้าไม่มีมีเที่ยวนี้เที่ยวเดียวถ้าไม่ตายก็จะรอดมันบอกตัวเองแบบนี้ ให้ทำใจแบบนี้อย่าคิดว่าตัวเองจะรอดนะบอกว่าตายถ้าไม่ตายก็จะได้เห็นธรรมเนี่ยต้องทุ่มทุ่มแบบนั้นเลยต้องบอกตัวเองแบบนั้นเลยอันนี้แหละสละตายเพื่อทำต้องอดทนใจของเรานี่มันเกิดมานี่ตายมาแล้วเนี่เกิดเป็นสัตว์ก็ตายเกิดเป็นเป็ดเป็นผีก็ยังหมดชีวิตหมดจากเป็ดจากผีจุดตีไปเกิด ลุ้มใหม่เรื่อยอย่อ่ามันบางทีมันก็หนักไปเรื่อยรอยับผลกรรมอ่าจากเปรตจากผีอ่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นสัตว์ในร่าสารเนี่ยใจของเราดวงเดียวเนี่ยมาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้หละคำสอนของพพุทธเจ้าอ่าท่านบอกให้เราที่ว่าอ่าให้เรารู้ให้เราที่ว่าฝึกดูตัวเอง ดูกายดูใจของเราพิจาจรณากายพิจาจรณากายให้เป็นของไม่งามท่านบอกว่าถ้าใครเห็นตัวเองเนี่ยจะมะีความลุ่งโลดความจเจริญลุดหน้าไปอีกเรื่อยๆเนี่ยคนนั้นน่ะไม่มีโอกาสจะได้เห็นธรรมถ้าใครมองตัวเองเนี่ยไม่มีวันพรุ่งนี้เราจะตายเดี๋ยนี้เนี่ยอันนี้มันมันปิดมันปิดความจเจริญมันปิดความจเจริญไม่มี ไม่มีความหวังนะใจของเรามันก็หดหูเข้ามามันก็ว่าเอาใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วมันก็ตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามามันก็วางอันนี้มันมันอยู่ตรงนี้อันนี้ลหละว่าถ้าใจของเรายังยึดติดว่าขาเราตัวเราแขนเราอันนี้ก็ญาติพี่น้องเราบ้านของเราถ้ายังมีความยึดติดเนี่ยมันไม่วางอันนี้หละใจมันจะวางมันต้องที่ว่าไม่มีวันพรุ่งนี้ แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่ไปกินข้าวกินน้ำอีกเนี่ยต้องสละแบบนั้นอันนี้แหละทุกคนมีกิจสำนึกเหมือนเหมือนกันมีความอยากล่าอยากรวยอยากสวยอยากงามแบบหลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยอันนี้แหละแต่เรามันผิดหวังจะสวยขนาดไหนก็ช่างในที่สุดก็ต้องตายยา อ, อ, อ, อายุเนี่ยจะยืนถึง ถ้าสมัยนี้อายุยืนก็ร้อย3 0รยปีประเทศนอกนะประเทศไหนละ่ะประเทศจี่ปุ่นประเทศเกาหลีประเทศจีนแบบนี้ที่เขาสุขภาพเขาดีเขาแข็งแรงคนอายุร้อยกว่าปีมีนั่ น, นพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะวันไหนละมันจะตายถึงเวลาเราทำความเคียร์นี่เราต้องทำทาใจสอนใจของเรา บอกว่าวันพรุ่งนี้สําหรับเราไม่มีโอกาสที่เราจะจะไปกินข้าวกินน้ําไม่มีแล้วหมดแล้วหมดโอกาสแล้วจะกินข้าวกินน้ํานี่ไม่มีแล้วไม่มีน้ําไม่มีข้าวจะกินอีกแล้ววันพรุ่งนี้สําหรับเราไม่มีแล้วเนี่ยถ้าเราคิดแบบนี้แหละหลวงพ่อว่าใจของเราเนี่ยมันจะพยายามพยายามว่ากลัวตัวเองเนี่ยไปตกนรกกลัวตัวเองเนี่ยจะไปเกิดเป็นภพเป็นที่ว่าเกิดเป็นภพเป็นชาติอีกเป็น สัตย์เอกสารทำนองเนี่ยมันจะทุกข์อีกเนี่ยให้ให้เห็นความเกิดแบบนี้อย่าไปห่วงอ่าถ้าเรายังห่วงยังหึห่วงว่าขาเราขาเราจะหักกายเราจะหักเราจะพยายามให้มันอยู่อีกวันพรุ่งนี้เราจะกินนั่นเราจะไปกินนี่เราจะไปทำงานนั่นทำงานนี่ถ้ายังมีความหวังอย่างนี้หลวงพ่อว่ามันยังยังลุดหน้ายังมีอนาคตไปเรื่อย ยังยังคิดว่าตัวเองจะเจริญไปเรื่อยๆ อ, อันนี้ต้องตัดตัวนี้ตัดบทมันเลยว่าไม่มีวันพรุ่งนี้อันนี้แหละวิธีแก้ความหลงของตัวเรากายของเราเนี่ยมันมีความยึดติดความอาลัยความห่วงแล้วก็ความยึดถือว่าญาติของเราพี่น้องของเราที่ดินของเราบ้านของเราอันนี้แหละความยึดติด ถ้าเรามีความยึดติดเนี่ยถ้าหมดชีวิตไปแล้วก็มาเป็นวิญญาณเฝ้าอยู่ที่นั่นถ้าเกิดแล้วเนี่เกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัมภเวสีก็มาเฝ้าอยู่ที่นั่นอันนี้มันมันมั น, ม, นมาม า, มาทำนองนี้อันนี้แหละให้พวกเราฝึกหัดให้ใจของเราเนี่ยเกิดความรู้ให้มันที่ว่าเกิดความรู้ความเห็นเกิดขึ้นมาอย่างกระจ่างแจ้งแล้วก็ตัดอะไรตัดความยึดติด ความยึดถือว่าตัวตนเนี่ยอัตตาเนี่ยต้องไล่ที่ว่าอุปทานความยึดเนี่ยให้มันออกจากหัวใจของเราอ่าพอมันวางแล้วเนี่ยมันสบายถึงไม่มีไม่มีมันก็สบายอ่ามันสบายเพราะมันสิ่งที่ไม่มีอ่าแต่ก่อนเนี่ยมันร้อนเพราะตัวนี้เพราะที่มันมีเนี่ยมันอยากต้องการนั่นอยากต้องการนี่อย่างหลวงพ่อไปปิณฑบาสนั่นแหละอ่าพอไปถึงอ่า สาวนักเรียนใส่บาทเนี่ยก็คิดเอาเขาเป็นลูกเป็นเมียปรุงแต่งทำนองนี้อันนี้มันมันมันทุกข์มันความยึดความคิดความทุกข์ถ้าเรามีความยึดติดถ้าเรายังมีความคิดอยู่แบบนั้น่ะมันก็มีความทุกข์ตลอดไปการเวียนว่ายตายเกิดของเรามันไม่หยุดสักทีบัดนี้จิตตัวที่มันเคยคิดเคยนึกเคยปรุงแบบนั้น่ะมันไม่ทำงานมันหยุดทางานมันรู้เท่า อันนี้แหละให้พวกเราฝึกหัดเอาอันนี้ตัวเราตัวใครตัวมันใจเราเราก็มีใจเหมือนกันเราเกิดมาไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติแต่ละท่านละคนะสำหรับของหลวงพ่อนี่มันตายเกิดตายเกิดมานี่หลายล้านเที่ยวมันเห็นของตัวเองแบบนี้มันโลกโลกวุ่นวายให้พวกเราคิดเอาที่ที่เราเกิดมาเนี่ยเกิดมานี่เนี่ย เปลี่ยนนายกมากี่คนแล้วหลวงพอรู้จักเข้าโรงเรียนอันดับแรกเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนเนี่ยสมัยจอมพลสฤษดิ์ต่อมาก็ถนอมทํานองเนี่ยเปลี่ยนมาสัญญาธรรมศักดิ์สาอะไระเปลี่ยนมาเรื่อยๆธานินไกวิเซียนเกียงศักสมนานันสารพัดนี่ยเปมหนึ่งเปมสองเนี่ยสารพัดเน่ยเปลี่ยนมาเรื่อยๆทานองเนี้ยไม่รู้ว่ากี่คนอันนี้ละ่ะอ่า มันเจริญไหมแล้วก็มันอยู่มีความสงบไหมมันวุ่นวายหลวงพ่อว่าเกิดมาเนี่ยใครก็มาปฏิญาณสาบานว่าเราจะทําให้ชาติบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขต่างคนก็ต่างอยากจะมีความสุขทุกคนนั่นแหละแต่มันก็ผิดหวังอยู่แบบนี้อ่มันถูกใจเราแต่มันผิดใจคนอื่นมันถูกใจเราแต่มันผิดใจคนอื่นมันไม่พอดีสักคนนี่แหละ ให้เราที่ว่าพราะถ้าเราเห็นแบบนั้นแล้วก็ดูกายของเราเนี่ยแหละสอนใจของเราเนี่ให้มันเข็ดหลาบเป็นงานแล้วป่ะงานลื้อภพลื้อชาตงานเข็ดหลาบไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเห็นโลกว่าโลกวุ่นวายสหรัฐเขาเจริญขนาดไหนเขาก็ยังอยากรวยอีกจีนเขาเคยจนมาแล้วแต่ก่อนเขาเคยจนแต่บันนี้เขาก็รวยเขาก็มีที่ว่า เศรษฐจิจเขาดีเขาล่ําเขารวยเขาก็ยังยจะจะรวยอีกเนีเกาหลีแบบเนี้ยเขาก็เคยจนเหมือนกันประเทศไทยของเราในสมัยก่อนก็สลับสับเปลี่ยนกันมาทํานองนี้นายกอปฏิวัติปฏิรูปรให้พวกเราคิดเอาในสมัยไหนที่มันมีความสุขอันนี้แหละโลกมันอยู่แบบนี้สมัยพระเจ้าตากสินเนี่ยทำสงครามกับพมา่าไม่รู้ว่ากี่เที่ยวพระน่าเลสวรแบบเนี่ย กาทำสงครามกับพมา่าไม่รู้ว่ากี่เที่ยวให้พวกเราคิดเอาอันนี้ลหละใจของเราเนี่ยที่มาเวียน่ายตายเกิดก็ต้องออกสนามลบเวลาพระราชาเกณฑ์ไปลบหัวหน้านายบ้านนายผู้ใหญ่ผู้เหนือหัวพวกเราสั่งพวกเราก็ต้องออกไปลบถึงจะมีอะไรก็ต้องไปเวลานั้นก็ตายแอบพัดภาคเป็นที่ว่า ลูกกัมพาพ่อตายในสงครามเป็นลูกกัมพาเป็นแม่ไม้สารพัดอันนี้เหลอพวกเราที่ว่าถ้าพวกเราคิดทบทวนว่าการเกิดเป็นทุกข์เอเกิดในชาติก่อนก็เป็นทุกข์อยู่แบบนี้แหละแบบชาตินี้แหละหรือใครคิดว่าชาตินี้มีความสุขาชาตินี้มันจเจริญเจริญก็ช่างวัตถุมันจเจริญถนนหนทางมันจเจริญแต่มันก็มีที่ว่า สารพัดมันไม่พอสักทีอคนหนึ่งได้ดีอีกคนหนึ่งมันก็ถูกบีบหัวใจอมันก็กดขีคนอื่นมันก็อยู่แบบนี้อันนี้ลหละมันไม่พอโลกยังพร่องอยู่พระพุทธเจ้าบอกแบบนี้นะโลกยังพร่องอยู่มันบกพร่องอยู่อย่างนี้อุปนิยติโลโกโลกคือหมู่สัตว์อันสราต้นไปอยู่อทุโวเป็นผู้ไม่ยั่งยืน อัตโนโลโกโลกไม่มีผู้ต่อต้านอนาพิสโลไม่มีผู้เป็นยิ่งใหญ่อัศโกโลโกโลกไม่มีสิ่งเป็นของของตนนั่นให้พวกเราคิดว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยเราว่าเป็นของของเราแต่ในที่สุดเราต้องตายจากมันอันนี้แหล ะ, ะคนที่เขาปฏิวัติปฏิรูปชนะแล้วต่อไปเขาก็หมดชีวิตก็ตายอีกจะเกิงขนาดนั้นก็ช่งางจะเป็นผู้ นักผู้หัวหน้าปฏิวัติจะเก่งขนาดไหนก็ช่างก็ตายนะมันก็อยู่แค่นี้อันนี้แหละโลกของเรามันวุ่นวายมันเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราต้องประเมินประเมินดูว่าความสุขในที่เรามาเกิดชาตินี้เราก็เห็นสนามบินเห็นเครื่องบินมันบินขึ้นบินลงสนามบินอู่ขอนแกน่นอุดรแบบนี้วันหนึ่งไม่รู้ว่ากี่เที่ยวนกแอ พวกนกแอร์พวกการบินไทยพวกสารพัดนะะั่นแหะสายการบินหลา ย, ลายสายนะ่ะที่มันบินขึ้นบินลงในที่สุดเนี่ยเขาหยุดการบินน่ะหยุดการบินก็เป็นเรานึกว่ามันจะไปตลอดมันจะเจริญไปเรื่อยๆมันไม่หยุดพอเกิดโรคโควิดขึ้นมาเนี่ยหยุดสักักเลยอันนี้แหละให้พวกเราคิดเอาอกับตันหรือว่าพวกแอร์โฮสเตส พวกทำงานในสนามบินตกงานเยอะแยะไปขายอาหารไปทํางานที่อื่นมันก็ไม่ถนัดล่ะเขาเรียนมาแบบนั้นแล้วอันนี้ล่ะโลกผิดหวังอันนี้ล่ะมันมันก็ผิดอยู่อันนี้ล่ ะ, ะพวกเราคิดว่าพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนี่ยคิดว่าจะเอาให้รวยที่สุดในโลกนั่นแหละแต่เราก็ไม่สมหวังเราก็ผิดหวังอยู่ทํานองนี้ อันนี้ลหะให้วพวกเราคิดทบทวนเข้ามาดูที่เราเวียน่หยตายเกิดแล้วก็ว่าสมัยไหนที่ศาสนาจเจริญคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยสมัยท่านอาจารย์หลวงตามหาบัวนี่แหล ะ, จะเจริญสุดๆเลยหลวงพ่อว่าในสมัยเนี่ยจเจริญยังไงล่ะสมัยหลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์ของหลวงตามหาบัวแต่สมัยนั้น่ะไม่มีไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องส่งเสริม ของสมัยหลวงตาเนี่ยยังเห็นยังเห็นภาพหลวงตาเดินยังเห็นหลวงตาพูดทุกวันนี้เปิดดูวันไหนก็ยังเห็นยังเห็นท่านแสดงธรรมสดสดร้อนเหมือนกับพูะพุทธเจ้าแสดงธรรมอันนี้หลายพวกเราคิดเอาว่าเราเป็นผู้โชคดีทุกวันนี้แม้หลวงตาจะสิ้นไปแล้วเราก็ยังเปิดดูได้ เปิดดูรายรายการหลวงตาแต่ละวันเปิดไปสถานีของหลวงตาก็ยังเห็นหลวงตาเดินหลวงตากินหมากเกี่ยวหมากพูดหัวเราะกับลูกกับหลานอยู่ทุกวันนี้อันนี้แหละสมัยของหลวงตาหลวงพ่อว่าจเจริญสุดๆเลยทุกวันนี้ถ้าเราที่ว่าสนใจประพฤติปฏิบัติเอาก็สมควรอย่างยิ่งพวกเราให้คิดเอายาว่าร่างกายของเรานี่ไม่รู้ว่ามันเหลืออีกกี่วันกี่เดือน มันไม่แน่อ่าร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนี่แหละเดินไปหรือว่าขี่รถไปเขาก็ชนเดินไปเขาก็ชนได้อ่ารถมันสารพัดเรื่องความตายมันอยู่ที่ว่าเราไปที่ไหนมันก็ตามเราไปเรานั่งเครื่องบินมันก็ตามเราไปเรานั่งรถมันก็ตามเราไปกินข้าวยังไม่อิม่มหงายลงเลยตายนี่ทำนองก็อนนี้ก็มีนั่งพูดกับลูกกับหลานอยู่นี่ เดียลงไปเลยอ่าล้มตายลงไปเลยก็มีอันนี้แหละความตายมันไม่แน่อันนี้แหละพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วให้พวกเราเทียบเทียบอ่าอ่าในข้างพุทธกาลกับสมัยนี้หลวงพ่อคิดว่าหลวงตามหาบัวนี่เป็นตัวแทนพระเจ้าในสมัยนี้อ่าในสมัยนี้ที่ว่าเครื่องอ่าที่ว่าเครื่องอ่า ทำให้พวกเราเก็บภาพเจ็บเสียงหลวงตาบัวไว้เนี่ยมันดีที่สุดแล้วพวกเราได้เห็นภาพได้เห็นตัวได้เห็นบทบาท เ, าเวลาหลวงตาดุดาหรือว่าท่านดุอยากให้พวกเราประพฤติปฏิบัติพวกเราก็เห็นอของท่านผู้ประพฤติปฏิบัติอันนี้แหละสมควรอย่างยิ่งพวกเราของไอ้ท่านทั้งหลายเนี่ยเอานี่หละเอาแบบอย่างของหลวงตาเปิดฟังสถานี ของหลวงตาแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติน้อมเอาคําสอนขององค์หลวงตามาบัวนี่แหละมาที่ว่าสอนใจของตัวเราท่านก็เกิดมาจากพ่อจากแม่แต่ทําไมท่านถึงทําได้ในครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันในครั้งพุทธกาลก็เกิดมาแบบนี้กันทุกคนบางตระกูลเกิดขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีก็ตาย เ, าเกิดโรคหาโลกฝีดาดตาย ไม่ลอดมหาเศรษฐีก็ตายคนยากจนก็ตายมันก็มาทำนองนี้เหมือนกันอันนี้ละ่ะโลกสารพัดที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้ให้พวกเราคิดเอาเราจะเหลืออีกกี่วันกี่ปีไม่รู้ว่าระบอบการปกครองของประเทศเราอีกต่อไปเขาจะเอาอะไรมาปกครองบ้านเมืองคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เขาจะทำลายก็ได้มันไม่แน่อันนี้แ่ละอะพวก ที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินี่แหละให้เร่งเอาสร้างความดีใส่ตัวเองไม่อย่าไปขัดวันประกันพุ่งว่าวันพรุ่งนี้ค่อยทําวันเมื่อลรืนค่อยทําเดือนหน้าค่อยทาเนี่ยอย่าไปคิดแบบนั้นให้รีบเร่งเอาเลย อ, อ่าอย่าไปหวงอาหารการกินเรากินลงไปแล้วมันมีแต่แก่มันมีแต่พาเราตายอ่าอันนี้หละเรากินอะไรลงไปมันทรรมัน แม่ในและคุณพวกเราตลอดไปในที่สุดกองพวกเราก็จะแก่จะเจ็บจะตายก่อนจะเจ็บจะตายนี่ก็กองอายพวกเรานี่แหละได้ประพฤติปฏิบัติเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาพุทโทธธรรมโมสังโฆเข้าสู่ใจของตัวเราให้ใจของเราเนี่ล่ะเป็นณโมใจของเรานอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าใจของเราก็เลยเป็นณโมพระพุทธเจ้ามาอยู่กับใจของเรา ใจของเราเนี่เป็นอันเดียวกับพระพุทธเจ้าทำนองนี้มันเกิดขึ้นทำนองนี้นะใจของเราเนี่ยมันเป็นณนโมมันมีความนอบน้อมอยู่ในกายในใจของเราแต่ก่อนมันเป็นตัวทิฏฐิมานะเป็นตัวอยากโลภโกรธหลงสารพัดมันเป็นตัวอยากได้โน่นได้นี่บัดเราสอนใจของเราแล้วนี่เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันพบแล้วพบเล่า ก็ประเมินลงมาที่ว่าสอนตัวเองให้ที่ว่าให้เอาสติปัญญาของเรานี่แหละมารวบรวมลงมาดูดูภายในกายของเราอ่าที่ว่าสติจดจ่อเข้ามาที่กายดูลมหายใจเข้าออกเขานี่อาย่ย ด, ดูจากตัวนี้ไปแล้วก็เพ่งกายให้มันเห็นความเปื่อยเน่าของกายดูตัวนี้ ในที่สุดเราก็จะได้รู้สัจธรรมเกิดขึ้นจากจุดนี้ถ้าเราไม่มีศรัทธาเราศรัทธาเนี่ยมันมีแต่มันไม่มีความเฮ็ดสู้มีแค่นั้นหลวงพ่อว่าความเฮ็ดสู้เนี่ยก็ปลุกระดมมันขึ้นปลุกระโดมมันขึ้ น, มม น, นบอกว่าชาติหน้าของเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดเป็นสิงสาลาสัตว์เป็นเกิดเป็นหมูหมากาไก่ก็ไม่รู้ะเราไม่รู้ว่า ชาติหน้าเราจะไปเกิดที่ไหนเนี่ยเราไม่รู้อันนี้แหละชาตินี้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเอาชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยมันผ่านมาแล้วเนี่ยกี่ปีแล้วที่มันเหลือเนี่ยจะอยู่อีกได้เท่าไหร่อันนี้แหละเอาชีวิตที่เหลือเนี่ยเล่งทําความภาคความเพียรเข้าให้ได้รู้สารพัดนี่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันได้เกิดความรู้ความเห็นมันเกิดความอาศจัรยร์ขึ้นแก่เจตแก่ใจของเรา จะได้เกิดความอิ่มเกิดความอิ่มความพอแต่ก่อนมันมีมันไม่พอบัดนี้มันพอแล้วเออเราหยุดแล้วเราไม่อยากอีกแล้วนะให้มันเกิดพอทจำลองนี่อันนี้ท่าที่สุดก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขความเจริญและให้ท่านทั้งหลายได้รู้ทำเห็นธทมทุกท่านทุกคนเถอด <c oughs>